วัดป่าสุกโตถือว่าเป็นการทบทวนการใช้ชีวิตที่ผ่านมาและเวลาที่เหลือเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่คิดว่าตอบสนองต่อจุดประสงค์ของการมาของแต่ละคนแต่ละท่านที่มาใช้ชีวิตในวัดป่าสุกโตแห่งนี้เรามาอยู่วัดป่าสุขโตเนี่ย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 นะเรื่องกายเรื่องใจนะทำอย่างไรที่ใช้รู้จักความจริงนะของกายของใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่วัดป่าสุกโตเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะที่มุ่งนะให้ผู้ที่มาใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยมุ่งเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจตรงไปตรงมาเลยนะไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องอมีอะไรมากมาย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 คนนี้รู้จริงไม่ถามเขารู้อ๋อมันอย่างนี้มันอย่างนี้ น, น, นะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมน่แหละนะเป็นรูปนามที่เกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่สัมผัสคนทีเ่เห็นชัดเนี่ยก็จะรู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องไปถามใครนะตรงนี้นะก็อาศัยการเจริญสตินะที่กายให้ชัดนะทำให้บ่อยทำให้เป็นนิสัย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 นะ่ะภารตนาตายที่อยู่ในตัวเรานะก็คือสติปัญญานั่นเองนะที่รู้เห็นตามความเป็นจริงการที่เราเห็นความเป็นจริงได้นี้นะออ่ชีวิตจิตใจกายใจนะ่ะมันก็จะคืนสู่สภาพปกตินะ่ะเงสภาพปกติเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ่ะตั้งแต่เราเกิดมานะสังเกตดูสิเด็กๆ เ, เนี่ย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 ยิ่งๆกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีความกระวนกระวายใจเมื่อได้สุขมาก็ไม่อยากให้สุขหายไปเมื่อมีสุขเมื่อมีทุกมาก็ไม่อยากให้ทุกมันอยู่กับเราตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดำรงหรือไม่สามารถที่จะกลับคืนสุขปกติได้เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้สภาพนี้เองเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ย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 นะโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องไปต่อแย่มันเลยนะเอาความรู้สึกตัวเนเป็นตัวต่อรองไดนะ้นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ผู้ที่เจริญสติอย่างต่อเนื่องนะอยากเป็นลูกโซ่แล้วเนี่ยนะพุทธองค์ก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะภายในเจดวันเจดเดือน7ปีนะก็จะต้องเข้าใจนะแล้วก็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 อนุโมทนาในความตั้งใจของทุกท่านแล้วก็ขอให้สิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติความเพียรพยายามของทุกท่านเนี่ยจงบังเกิดผลให้แล้วเรียนรู้เท่าทันความจริงนมีชีวิตที่อิสระเป็นสุขเกษมสารในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทิน